สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการบริษัทสีในสมัยพุทธกาลก็มาพบกับท่านผู้ฟังตามปกติในวันนี้จะขอนําชีวประวัติของท่านอนาถาบิดิกาเศรษฐีอุบาสกมาเล่าเสนอท่านผู้ฟังอนาถาบิดิกาเศรษฐีท่านเป็นเริยะอุบาสก ผู้ชอบบริจาคทานอย่างยิ่งจนเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปเพราะท่านไม่เคยเสียดายทรัพย์ในการกระทําบุญให้ทานเลยจะหมดเท่าไรไม่ว่าจึงได้รับยกย่องเกียรติคุณสูงส่งที่สุดในพระพุทธศาสนาว่าทานานาถบิิกะเศริยอุบาสกผู้ยอดเยี่ยมในด้านการถวายทานชีวประวัติในอดีตชาติของธนานาถบิิกะเรษย์อุบาสก ได้มีบันทึกไว้ในอันตรกถาคำพีมโนรถาปุรณีที่ขยายความบาลีคำพีอังคุตตรนิกายเอกนิบาตว่าในเวลาหนึ่งแสนกับร่วมมาแล้วโดยนับย้อนหลังกลับไปจากพัทธกับนี้ตรงกับพุทธการแห่งพระปทุมระสัมมาสัมพุทธเจ้าทานานาถบิิกะเศรษฐีในการนั้นได้เกิดขึ้นในตระกูลหนึ่ง ในพระนครฮวงสวัสดีวันหนึ่งเมื่อท่านเจริญวัยใหญ่กล้าแล้วท่านมีโอกาสได้ไปฟังพระธรรมเทศนาของพระปัตตุบุตรสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เห็นพระองค์ทรงแต่งตั้งอุบาสกผู้หนึ่งไว้ในตําแหน่งที่เลิศกว่าอุบาสกทั้งหลายผู้ถวายทานเป็นเหตุให้ท่านนึกพอใจในตําแหน่งนั้นจึงได้จัดการถวายทาน แลกกระทําความดีแล้วตั้งความปรารถนาฐานันด ร, ราศักน์นั้นหลังจากท่านสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วก็ได้ท่องเที่ยวเกิดเป็นเทวดาและมนุษย์อยู่ตลอดกาลนานหนึ่งแสนกับครั้งตกมาถึงพุทธุบทการนี้อันเป็นชาติปัจจุบันของท่านท่านได้มาเกิดเป็นบุตรของสมณเศรฐีในพระนครสาวัตถี มารดาบิดาและบรรดาญาติตั้งชื่อให้ท่านว่าสุทัตตะคำว่าสุทัตตะก็แปลว่าผู้ให้ดีต่อมาภายหลังสุทัตตะมานพได้ดำรงภาวะอยู่ในการครองรืน่นมีภรรยาชื่อบุญลักษนาเทวีและมีบุตรสาวสามคนชื่อมหาสุพัฒนาจุลสุพัฒนา และสุมนาเทวีและมีบุตรชายชื่อกาละชื่อทั้งหมดที่กล่าวนี้ก็กล่าวตามที่มีบันทึกไว้แต่ว่าท่านจะมีบุตรธิดามากกว่านี้หรืออย่างไรอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะกล่าวนอกเหนือจากคำพีที่บันทึกไว้ได้และสุทธาตามานพได้เป็นทานนบดีคือผู้เป็นเจ้าของทาน ทั้งได้บริจาคทานจนปรากฏชื่อว่าอนาาบินทิกะแปลว่าผู้มีก้อนข้าวเพื่อคนอนาถาก็นว่าเป็นชื่อที่บังเกิดขึ้นจากประชาชนคนทั้งหลายพอใจในการกระทำคุณงามความดีของท่านก็จึงขนานนามท่านว่าอนาธบินทิกะเพราะคุณความดีที่ท่านได้กระทำแล้วนั่นเอง ท่านจึงได้ชื่อนี้และเป็นชื่อที่เกิดขึ้นตามที่ท่านกระทําดีไวในอดีตชาติแล้วปรารถนาไว้ชีวประวัติของทัฒนาถะบิติกาเศรษฐีนอกจากมีกล่าวไวในอันตกรกถาคัมภีมโนรถะปุรณีเจอ ก, ก็ยังมีกล่าวไว้ในอนาถปินทิกากะหะปฏิกรถ า, าสันติเกนิทานคัมภีนิบาตชาดก ในบาลีเสนาสนะขันธกะคำพีจุลวัคพระวินยัยยปดกและในบาลียักษะสังยุตคำพีคุธกนิกายสขาทวักแห่งสุทัตสูตรดังนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณป่าศรีตะวันเขตพระนครราชครุธนานนาถบิิกะเศษฐีผู้เป็น น้องเขยของท่านราชกษัตริยเศรษฐีชาวพระนครราชครึแต่บางคำพีว่าท่านเป็นสหายกันครั้งหนึ่งท่านอนาถบิติกะเศรษฐีบรรทุกสินค้าใสเกวียนห0 0เล่มแล้วนำกองเกวียนเดินทางออกจากพระนครสาวทีเดินทางไปค้าขายที่พระนครราชครึ โดยได้ไปพักที่นิเวศของท่านราชครหเศษฐีคราวนั้นท่านราชครหเสฐีได้นิมนต์พระพิสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อฉันปัตาหารในวันรุ่งขึ้นจึงสั่งพวกทานและกรรมกรว่าพวกท่านจงตื่นขึ้นแต่เช้าตรู่จงต้มข้าวหุงข้าวต้มแกงและจงช่วยกัน จัดหาอาหารที่มีรสอร่อยๆอออไว้ให้มากอย่างเพียบพร้อ ม, นานามธ่านนาถมิติกะเศรษฐีได้เคยมาพักที่เรือนของท่านราชคราเศรษฐีทุกครั้งที่เดินทางมาถึงพระนครราชครึกแต่การมาพักครั้งนี้มีเหตุการณ์ผิดแพกแปลกไปจากแต่โกนจนทำให้คราบบดีคิดว่า เมื่อครั้งก่อนเรามาถึงแล้วท่านราชกัราเสร็จทีต้องหยุดพักกิจธุระทั้งหมดแล้วมาแสดงความชื่นชมยินดีและสนทนาปราศัยกับเราผู้เดียวส่วนครั้งนี้เขามีทีท่าเปลี่ยนไปเขามัวสารบนสั่งพวกทาสและกรรมกรให้ตื่นแต่เช้ามืดให้ช่วยกันหุงต้ม ทำหารที่มีรถอร่อยบางทีเขาจะมีงานอาวาหะมงคลงานอาวาหะมงคลก็คือการนำเจ้าสาวมาแต่งงานที่บ้านเจ้าบ่าววิวาหะมงคลหมายถึงการนำเจ้าบ่าวไปแต่งงานที่บ้านเจ้าสาวหรือประกอบพิธีบูชามหายันหรือกราบบ่งคมทูลเชิญ เส็จพระเจ้าพิมพิสารพร้อมทั้งพลนิกายมาสวยในวันพรุ่งนี้หรืออย่างไรครั้นท่านราชกริเศรษฐีสั่งพวกทาสและกรรมกรเสร็จแล้วจึงไปหาท่านอาณาธินิกะเศรษฐีและนั่งสนทนากันณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง ธนนาถ า, าบิดกะเศรษฐีถามท่านราชชร拉เศรษฐีว่าเมื่อก่อนพอข้าพเจ้ามาถึงท่านได้หยุดพักกิจธุระทั้งปวงแล้วมาแสดงความชื่นชมยินดีและสนทนากับข้าพเจ้าผู้เดียวแต่ครั้งนี้ท่านมัวสารวนอยู่กับการสั่งพวกทาสและกรรมกรให้จัดการเรื่องอาหารต่างๆท่านจะมีงานอาวาหะมงคล วิวาหะมงคลหรือประกอบพิธีบูชามหาัาณหรือกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระเจ้าพิมพิสารจอมราชาแห่งแคว้นมาคดพร้อมด้วยพลนิกายมาสวยในวันพรุ่งนี้หรืออย่างไรท่านราชกษัรเศรษฐีจึงตอบว่าท่านกระบดีข้าพเจ้าไม่ได้มีงานอาวาหะมงคลหรือวิวาหมงคล แต่ถึงแม้พระเจ้าพินดินตลอดกระทั่งหมู่อมรราชเสวกก็ไม่ได้กราบบองคมทูลเชิญเสด็จมาเลยแต่ข้าพเจ้าจะประกอบพิธีบูชามหายันคือข้าพเจ้าได้นิมนต์พระภิสุสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อให้เสด็จมาโสยในวันพรุ่งนี้ทา น, นานาถบิกาเศรษฐีจึงถามว่าท่านพูดว่า พระพุทธเจ้าหรือท่านราชกษริยเศรษฐีตอบว่าถูกแล้วข้าพเจ้าพูดว่าพระพุทธเจ้าท่านนาถบิติกาเศรษฐีได้ถามท่านราชกษริเศรษฐีเช่นนี้ถึงสามครั้งด้วยกันและได้ฟังคําตอบออกพระนามว่าพระพุทธเจ้าเขาจึงกล่าวว่าท่านราชกษริเศรษฐีเสียงว่าพระพุทธเจ้านี้ เป็นเสียงหาฝั่งใดดูยากในโลกแล่ข้าพเจ้าสามารถที่จะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในเวลานี้ได้หรือไม่ท่านราชกษริย์เศรษฐีตอบว่าท่านขรรบดีเวลานี้ยังไม่ควรที่จะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะไม่ใช่เวลาที่จะเข้าเฝ้า รอไว้วันพรุ่งนี้เช้าท่านจึงจะเข้าเฝ้าได้เมื่อท่านนาถวินิกาเรษธีเลิกสนทนาแล้วก็เข้าไปสู่ที่นอนท่านก็ได้แต่นอนนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่ว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การที่ท่านอนาถาบิธิกะเศรษฐีนอนระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เช่นนี้คือ น, นั่นเขาได้ตื่นขึ้นถึงสามครั้งเรียกว่านอนหลับหลับตื่นตื่นด้วยจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เป็นประจำและเมื่อเขาตื่นขึ้นมาในครั้งที่สมก็เข้าใจว่าสว่างแล้วยึงได้ลุกขึ้นเดินออกไปตามทางที่จะไปยังประตูป่าศรีตะวันพวกมนุษย์ ได้ช่วยเปิดประตูให้แกท่านอนาถมินิกาเศรษฐีได้เดินออกไปโดยสะดวกสบายขณะที่ท่านอนาถมินิกาเศรษฐีเดินออกจากเขตพระนครไปแล้วแสงสว่างก็หายไปแลกความมืดปรากฏขึ้นมาแทนท่านเศรษฐีได้เกิดความสะดุ้งกลัวจนผลลุกชูชันขึ้นก็คิดอยากจะกลับไม่อยากจะเดินต่อไป ในช่วงเวลานั้นศีวกะยักษ์ไม่แสดงตนให้ท่านานาถาปิิกเศรษฐีเห็นเป็นแต่ส่งเสียงให้ได้ยินว่าช้างหนึ่งแสนเชือกม้าหนึ่งแสนตัวสาวน้อยประดับต่างหูเพชรหนึ่งแสนคนก็ยังไม่ดีเท่าเซี่ยวที่สิบหกอันจะแนกแล้วสิบหกครั้งแห่งการก้าวย่างไป เพียงหนึ่งเกเชิญท่านก้าวไปข้างหน้าเถิดท่านครหาหบดีเชิญก้าวไปข้างหน้าเถิดการก้าวไปข้างหน้าของท่านเป็นของประเสริฐกว่าอย่าถอยกลับเลยท่านใดนั้นความมืดก็พลันหายไปและแสงสว่างได้ปรากฏขึ้นทำให้ท่านนาถาบิดิกะเศรษฐีหายสะดุ้งกลัวคนที่ลุกชูชัน ก็พลันหายไปทนนาถบิติกาเศรษฐีจึงสาวเท้าก้าวเดินต่อไปครั้นไปได้สักครู่เหตุการณ์เหมือนครั้งแรกได้ปรากฏขึ้นอีกทำให้ท่านเศรษฐีท้อแท้ใจคิดจะถอยกลับแต่ก็มีเสียงของศีวกยักกล่าวเตือนให้กำลังใจแก่ท่านนาถาบิติกาเศรษฐีอีก เมื่อความมืดหายไปแล้วพลันก็เกิดแสงสว่างปรากฏขึ้นแ ก, ทนนาากธธ่ท่านนาถบิดิกาเศรษฐีธนนาถบิดิกะเศรษฐีจึงเดินต่อไปแต่แล้วความมืดก็เกิดขึ้นมาอีกทำให้ท่านนาถบิดิกาเศรษฐีเกิดความสะดุ้งกลัวจนเกิดขนลุกชูชันขึ้นก็คิดที่จะถอยกลับแต่ศีวรกาย ก, ก็ได มากล่าวให้กำลังใจเหมือนในครั้งที่สองและเหตุการณ์ก็ได้กลับกลายจากมืดมาเป็นแสงสว่างช่วยท่านนาถบิิกะเศษิีหายสะดุ้งกลัวคนลุกชูชันก็พลันหายไปทันทีแล้วท่านเศรษฐีได้เดินต่อไปจนถึงป่าสีตะวันอันเป็นสถานที่ประทับอยู่ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเวลานั้น เป็นเวลาโจรสว่างพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงลกขึ้นเสด็จจงกรมคาว่าเสด็จจงกรมหรือการเดินจงกรมนี้ก็หมายถึงการเดินไปมาโดยมีสติคอยกากับอยู่โดยพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จจงกรมอยู่ในที่แจ้งได้ทอดพระเนตรเห็นทานานาถวิธิกาเศรษฐี ก, กำเดินมาแต่ไกล จึงเสด็จลงจากที่จงกรมไปประทับนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกชื่อของท่านนาถบิติกะเศรษยีว่ามาเถิดสุทัตต์ท่านนาถบิติกษเศริย์ได้ฟังพระพุทธเจ้าตรัสเรียกชื่อเกิดมีใจเบิกบาน และนึกดีใจว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกชื่อของเราจรึงเข้าไปหมอบรงแทบพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วกราบทูลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับสำราญดีหรือพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบด้วยพระคถาธรรมว่าพราหมณ์ผู้ดับทุกข์ได้แล้ว ย่อมอยู่เป็นสุขแท้จริงทุกเวลาผู้ใดไม่ติดอยู่เดกามคือความใคร่ทั้งหลายมีใจเย็นไม่มีอุปธิคือสิ่งที่ขังทุกหรือสิ่งที่ยังระคนด้วยกิเลสตัดความเกี่ยวข้องทุกอย่างได้แล้วกำจัดความโกรนกรายในใจได้ถึงความสงบใจ เป็นผู้สงบสระงับแล้วย่อมอยู่เป็นสุขจีวประวัติของท่านานาถาบิติกะเศรษฐีตอนต่อไปนี้มีกล่าวอยู่ในบาลีธรรมพีจุลวะพระวินัยยปิโดกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบท่านเศรษฐีดังนี้แล้วจึงทรงแสดงอนุพุทธิกถาคือถ้อยคำที่กล่าวไปตามลำดำับมีห้าประการ ได้แก่ทรงมัรยายึงทานคือการเสียสละศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเป็นปกติสวรรค์คือแดนอันดีเลิศล้ำด้วยกามคุณทั้งห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะกามาทีนกคือโทษของกามความต่ำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลาย แล้วทรงประกาศอานิสงฆ์ในการออกจากกามไปบรรพชาและในขณะที่พระองค์ทรงทราบว่าอนาถบิติกะเสฐีมีจิตควรแก่การงานมีจิตอ่อนโยนมีจิตปราศจากนิวรนิวรณ์ก็หมายถึงกิเลสที่กั้นจิตไม่บรรลุความดีมีจิตสูงขึ้นมีจิตใจเลื่อมใสแล้วจึงได้ทรงประกาศพระธรรมเทศนา สามกังสิกธรรมคือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงยกขึ้นแสดงเองหมายถึงอริยสัจสีคือความจริงอันประเสริฐสี่ประการได้แก่ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจโสมทยเหตุให้เกิดทุกขได้แก่ตัณหาสามประการนิโรธความดับทุกข คือดับตัณหาสามประการเหล่านั้นมักคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกขเรียกชื่อเต็มว่าทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาท่านานาถมีกะเศรษฐีได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วได้ธรรมจักสุธรรมจักสุแปลว่าดวงตาหินธรรมที่ปราศจากทุรีมนทินว่าสิ่งใดซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาคำว่าธรรมดาก็หมายทิ้งอาการหรือความเป็นไปแห่งธรรมชาติคือของที่เกิดขึ้นเองตามวิสัยของโลกเช่นคนสัตว์ต้นไม้เป็นต้นจิตของท่านอนาถบิติกะเศรษฐีเปรียบดังผ้าที่สะอาดปราศจากสิ่งโสโปรกควรได้รับ นำยอมฉะนั้นครั้นท่านอนาถบิติกะเศรษฐีได้เห็นธรรมะแล้วก็หมายถึงได้เสเร็จเป็นพระโสดาบันแล้วได้บรรลุธรรมะได้รู้แจ้งธรรมะแล้วอย่างลงสู่ธรรมะข้ามความสงสัยได้แล้วไม่มีถ้อยคําที่แสดงความสงสยัยถึงความเป็นผู้แกล้า ไม่ต้องเชื่อผู้อื่นเกี่ยวกับเรื่องคำสอนของพระบรมศาสดาได้กราบทูสลสรรเสริญพระธรรมเทศนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระเจริญพระภาสิทธ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนักมีความไพเราะมากพระเจ้าค่ะพระองค์ทรงประกาศพระธรรมโดยมีเหตุหลายอย่างเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่ควา่าเปิดของที่ปิดออก บอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องไฟในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีจะเห็นสิ่งต่างๆได้พระเจ้าข้และท่านานาถบิกาไทยีได้ประกาศตนเป็นอุบาสกคำว่าอุบาสกก็หมายถึงผู้นั่งใกล้พระตนาตรายัยหรือขรหัสผู้ชายที่นับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงว่าข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะคือที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์จงทรงจาข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกไปจนกระทั่งตลอดชีวิตนับจำเดินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระเจ้าข้หลังจากท่านนาถาวิติกาเศรษฐีประกาศตนเป็นอุบาสกแล้วจึงกราบทูลนิมนต์ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิสุสงฆ์จงทรงรับพัตตาหารของข้าพระองค์ในวันพรุ่งนี้เพื่อเจริญบุญกุศลปีติคือความอิ่มใจและปราโมทคือความบ่นเทิงใจแก่ข้าพระองค์พระเจ้าขัพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับการกราบทูลิมนด้วยดุษณีภาพคือทรงดิ่งเฉยครนันทะพิธิกาเศรษฐี ทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจึงลุกจากที่นั่งกราบถวายบังคมลาและกระทําประทักษิณคือการเดินเวียนขวาสามรอบแล้วกลับไปนิเวศของท่านราชกฤหเศรษีฝ่ายท่านราชกฤหเศรฐีได้ทราบว่าธนานาถบิติกะเศรษฐีนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข เพื่อฉันปัตตาหารในวันพรุ่งนี้จึงได้ถามทา น, นานาถะมีติกาเศรษฐีว่าท่านขรรดีข้าพเจ้าทราบข่าวว่าท่านดานิบลพระภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขเพื่อฉันปัตหาหารในวันพรุ่งนี้ ก็ท่านเป็นแขกมาจากต่างบ้านต่างเมืองข้าพเจ้าจะให้ท่านยืมทรัพย์ที่จะใช้จับจ่ายซื้อสิ่งของเพื่อจัดทําพัตตาหารถวายพระธนนาถมิตริกศสุธีกล่าวห้ามว่าดูก่อนท่านกระหบับบดีไม่ต้องรอเพราะทรัพย์สําหรับที่จะใช้จับจ่ายซื้อสิ่งของต่างๆเป็นเครื่องทําพัตตาหารถวายพระภิสุสง์ มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกนั้นข้าพเจ้ามีอยู่แล้วพระพิมพิสารราชาแห่งแคว้นมคตได้ทรงสลับข่าวนั้นแล้วก็ทรงพระประสงค์ที่จะให้ท่านนาถามิติกะเศรษฐียืมทรัพย์เพื่อใช้สอยในการถวายพัตตาหารพระปภายท่านนาถามิติกาเศรษฐีกราบบังคมทูลปฏิเสธว่าโคเดชะ ฝ่าละองธลีพระบาทปกเกล้าปกกระม่มนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล่นเกล้าทรัพท์ที่จะนำมาจับใจใช้สอยซื้อเครื่องทำพัตตาหารถวายแด่พระพิสุกสงมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุกนั่นข้าพระพุทธเจ้ามีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าค่ะหลังจากนั้นท่านอาณาถาวิติกะเศรษฐีสั่งให้บุคคลทั้งหลาย ช่วยกันจัดอาหารของเคี้ยวของฉันอันประณีตภายในนิเวศของท่านราษฎราศาสตีโดยตลอดเวลาในราตรีนั้นเช้าวันรุ่งขึ้นธนานาถาบิตริกะเศรษฐีใช้ให้คนไปกราบทูลทิ้งเวลาฉันพัตาหารแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงเวลาฉันพัตตาหารแล้วพัตตาหาร คืออาหารสําหรับพระพิสุทสามเณรฉันสําเร็จแล้วพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระพิสุสงิ์เสร็จไปที่นิเวศของท่านราชกฤษฎีก์แล้วประทับนั่งบนอาสนะที่ปูราดไว้เพื่อพระองค์และพระพิสุสงิ์ก็นั่งลงตามลำดับพรรษาลำดับพรรษาก็หมายทิ้งพระที่บวชก่อนบวชหลัง ชนนาติกิติทธิได้จัดการถวายอาหารของเคี่ยวของฉันอันประนีตแด่พระภิสุสง์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประมุขด้วยมือของตนเองจนกระทั่งพระผู้มีพระภาคเจ้าสวยเสร็จแล้วจึงนั่งลงในที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระองค์พร้อมด้วยพระภิสุสง์ จงส่งรับอาราธนาอยู่จำพรรษาในเมืองสาวถีอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของข้าพระองค์เถิดพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนคราบบดีพระตถาคตทั้งหลายย่อมยินดีในสุญญาคารคำว่าสุญญาคารก็คือเรือนว่างเปล่าหรือสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่าน ทนานาธาบินิกาเศรษฐีกราบทูลว่าข้าพระองค์ทราบแล้วพระเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ธ่นนาถบินิกาเศรษฐีเห็นแจ้งให้มีความเชื่อมั่นอันดีให้อาหารให้ร่าเริงด้วยธรรมมกีกถาคือถ้อยคําที่ประกอบด้วยธรรมแล้วท่งลุกจากอาสนะเสด็จกลับไป ในสมัยนั้นท่านนาถบิดกะเศรษฐีเป็นผู้มีมิตรสหายมากมีคนเชื่อถือถ้อยคำของท่านพอท่านเสร็จกรณีกิจในพระนครราชกฤือแล้วจดเดินทางกลับพระนครสาวัตถีเวลาที่ทานนาธานนาถบิิกะเศรษฐีเดินทางกลับมาโดยลาดับได้พูดชักชวนชาวบ้านในระหว่างทางว่า ดูก่อนท่านทั้งหลายขอพวกท่านจงช่วยกันสร้างอารามสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานเพราะว่าเวลานี้ได้มีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นในโลกแล้วอันหนึ่งข้าพเจ้าได้กราบทูลในมนไว้แล้วพระพุทธองค์จะเสด็จมาตามเส้นทางนี้บรรดาชาวบ้านที่ท่านอนาถาปิติกะเศรษฐีกล่าว ชักชวนไว้ได้ร่วมกันสร้างอารามสร้างวิหารเริ่มบำเพ็ญทานกันตามกําลังความสามารถที่จะพึงกระทําได้ครั้งทันนาถบิติกะเศรษฐีกลับมาถึงพระนครสาวัตถีแล้วได้ออกไปเที่ยวสำรวจตรวจดูพระนครสาวัตถีโดยรอบเพื่อพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้า ประทับอยู่ในสถานที่ไหนนอ้อจึงจะเป็นสถานที่เหมาะสมเป็นสถานที่ที่ไม่ไกลนักไม่ไกลนักจากหมู่บ้านมีทางคมนาคมคือทางไปมาสะดวกชาวบ้านผู้ประสงค์จะไปมาได้ง่ายกลางวันไม่มีผู้คนพลุกพล่านกลางคืนเงียบสงัดไม่มีเสียงอึกทึก ปราสาท ก, กลิ่นอายของคนเป็นสถานที่ที่ควรแก่การประกอบกิจกรรมในที่ลักของมนุษยชนและสมควรเป็นที่หลีกเล่นอยู่ท่านก็ได้เห็นพระอุทยานของเจ้าเชษฐ ร, รา ช, ช ก, กุมารเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดจริงเข้าเฝ้าเจ้าเชษฐ ร, รา ช, ช ก, กุมาร กราบทูลว่าขอใต้ฝ่าพระบาทจงประทานขายพระอุทยานแก่กล้ากระมมเพื่อจัดการสร้างพระอารามพระชจคาท่านผู้ฟังครับเมื่อธ่านานาถมิติกาเศรษฐีได้เข้าเฝ้าเจ้าเชตรราชกุมารเพื่อขอซื้อพระอุทยานของเจ้าเชตรราชกุมาร น, นั้น ซื้อได้หรือไม่อย่างไรก็เห็นจะต้องให้ท่านผู้ฟังอดใจรอไว้รับฟังในวันต่อไปเนื่องจากวันนี้เวลาข้อราการสิ้นสุดแล้วต้องข อ, อยุติและเลาจากท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงนี้สวัสดีครับ